จะเข้าใจว่าตัวเองคิดว่ามันจะต้องมีเป้าหมายที่ต้องไปถึงที่ผ่านได้ก็คือตรงนั้นคือความว่างเสร็จแล้วก็มันก็จะพยายามเข้าไปค้นเข้าไปดูเข้าไปหาทุกครั้งว่าจะทํายังไงให้ไปถึงตรงนั้นให้ได้ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี้ยตัวเราไม่มีแต่ว่าคือมันมีความความเข้าใจตรงเนี้แต่มันไม่ถึงใจจริงๆว่าคือในความลึกๆตรงนี้มันไม่มีว่าจริงๆแล้วว่าเราไม่มีมันก็คือมันก็แค่รู้อยู่ทางเนี้ยเป็นเป็นปกติอย่างเนี้ย เนี่ยค่ะก็คือคือเหมือนมันไปตั้งเป้าเอาไว้แล้วมันก็ก็มันทําให้ทุกข์อะค่ะไปยึดอยู่ับความที่ว่ายังไงก็ต้องให้ว่างพอเจอสิ่งที่มากระทบที่เราไม่ชอบปุ๊บ ม, มันก็จะผากใส <c oughs> มันก็เหมือนจะไปยื้อกันระหว่างความว่างกับสิ่งที่เราไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีความทุกข์ขึ้นมานั่นแหะค่ะทํายังไงมันจะเห็นเนี่ยมันจะพูดยังไงคือมัน มันผิดฝาผิดตัวเลยคือที่ทิลีบอกว่าทํำยังไงมัน้นตัวเราถึงจะไม่ไปไปยุ่งตัวทํำยังไงตัวเราถึงจะไม่ไม่ไปยึดว่างทงําไงตัวเราถึงจะไม่ไปติดเจตอาการทําไงตัวเราถึงจะไม่ไปยึดว่างไปความรู้สึกที่เป็นตัวเราตัวเราตัวเราเนี่ย ดีกลับไปยึดเอาวันไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่จะเป็นนิพพานและเป็นตัวที่จะไปพบนิพพานคือมาเลยเอาไอ้ตัวเราเนี่ยที่มันยืนพื้นไว้ในใจว่าทํายังไงให้ตัวเราที่งๆไปพบความว่างที่เราฟาดฝันไว้แล้วก็เลยตัวเราเนี่ยไปจัดการกับอาการที่มันมันอยู่เฉพาะหน้าของเราที่มันทําให้ไม่ว่างมันไอ้ตัวเราที่มีความรู้สึกยืนพื้นไว้ในการที่จะฟาดฝัน ในสิ่งที่เราไม่ถูกใจจะไปเอาสิ่งที่ถูกใจอันนี้ที่ว่าผิดฝาผิดตัวก็คือว่าเราเอาไอ้ตัวนี้เป็นตัวเราแต่จริงๆเนี่ยไอ้ตัวที่ความรู้สึกเป็นตัวเราที่ต้องฟาดฟาันอาการทุกอาการทุกไปสู่ของบางไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวสังขารตัวปรุงแต่ง <im it> มันเป็นตัวสังขารเป็นตัวปรุงแต่งยึดมั่นถือมันไม่ใช่ไม่ได้มันเป็นของไม่เที่ยงทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันเป็นทุก์ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอย่าไปยึดมัน ว่มันเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราพระเจ้าก็ตัดไว้อย่างนี้แต่เราจะไปช่วยตัวเนี้ตัวที่เรารู้สึกว่าเป็นเราเลยเราก็ไปฟาดฟันในอาการทุกอาการที่มันเราไม่ถูกใจเราจะก็จะมีตัวเราไปเอาความว่างแต่ที่ถูกเนี่ยมันต้องเห็นไใ้ตัวเราที่มันฟาดฟันอาการที่ไม่ถูกใจเนี่ยเราจะมีตัวเราไปเอาความว่างตัวนี้มันเป็นสังขารปรุงแต่งก็ปล่อยมันสังขารไปไม่มีใครไปยึดมัน เมื่อเราเห็นว่ามันเป็นสังขารประแต่งมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ตนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ต้องเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปมีแล้วหายไปมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเออั้นสังขารอันนี้เห็นว่าเมื่อเห็นว่ามันเป็นสังขารก็ปล่อยวางมันปล่อยวางมันเพราปล่อยวางมันแล้วก็จะเป็นไงอ่ะต้องการก็สังขารไปเอง พอปล่อยวางตัวนี้ไปแล้วมันก็จะไม่มีตัวที่จะพยายามไปเป็นอะไรไม่มีตัวพยายามที่จะมาช่วยตัวเราให้เป็นอะไรอีกเพราะไอ้ตัวนี้ถูกปล่อยวางไปแล้วเข้าใจไหมมันมเข้าใจอย่างที่หลวงตาสอนนะคะแต่ถึงเวลาเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จ ะ, จ ะ, จ, ะจะกลับไปล่องเดิมลักษณะนี้ค่ะคือเราไม่รู้สึกมันด้วยใจของเรา ใ, ในในปัจจุบันเนี้ยหรือเราปล่อยทุกอย่างนะ่ะ ไอ้ตัวที่มันจะเอาจะเอาปล่อยเป็นธรรมชาติปกติแล้วมันจะไปเอาจะพยายามยังไงก็ตามจะพยายามช่วยตัวเองยังไงก็ตามปล่อยมันเป็นสังขารที่เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองตามปกติของมันในปัจจุบันนี้เลยเนี่ยจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นแต่ไม่ใช่มันเป็นเราสักอย่างเดียวคืออาการที่มันมีอาการอะไงเกิดขึ้นมาเนี่ยปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นเลย แล้วไม่มีใครไปยึดถือมันไม่มีใครไปทำอะไรกับมันเลยปล่อยมันเป็นอยู่อย่างนั้นแหละแล้วไม่มีเราเนี่ยตัวเราที่จะไปโหยหาความว่างอีกมีแต่ปล่อยให้อาการที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันให้มันเป็นที่มันเป็นและไม่มีตัวเราไปโหยหาความว่างทั้งไม่มีใครไปยึดถืออาการที่เป็นเป็นอยู่ในปัจจุบันคือเราเราเราเราพยายามจะช่วยตัวเราอย่างไงเราพยายามวิเคราะห์เราพยายามวิจัย พยายามตัวเอาเราไปถึงตัวความว่างเอาตัวเราไปพยายามเปิดเศตอาการทุกชนิดให้เห็นว่ามันเป็นสังขารสังขารสังขารที่เกิดขึ้นเองดับเองเกิดขึ้นเ อ, เองดับเองไม่มีใครไปยึดถือมันและไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวเราเนี่ยจะไปเอาความว่างยึดถือความว่างให้มันอยู่แต่ปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันขนาดอย่างเงี้ยเนี่นนยจะปรุงงไงกระช่างเขาเลยไม่มีใครไปยึดถือและไม่มีใครจะไปเอาความว่างในอนาคตแล้วลองดีลองดูติา ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงเราไม่ไม่ลองปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นในปัจจุบันนี้เลยอ่ะเราก็ฝึกมานานแล้ ว, ลวเราก็ทำผิดมาเยอะแล้วสิ่งนี้จะไม่เคยลองที่จะหยุดยหยุดที่จะไปเอาหยุดที่จะไปเอาอะไรเนี่ยความว่างในหนาโกดหยุดที่จะผัดใสจิตที่แสดงกิริยาการทุกอาการในปัจจุบัน มันหุเดียวนี้เลยในปัจจุบันเนี่ยสิ่งนี้เราจะไม่เคยทําอย่างอื่นทํามาเยอะและ้วแต่อย่างนี้ไม่เคยทําแล้วเราก็อ่านใจตัวแบบเนี้ยเราก็จะบอกได้เองว่าแล้วมันเป็นยังไงไม่ต้องมีไม่ต้องรอต้องไปถามใครเลยทั้งอนาคตที่จะไปเอาความว่างก็ไม่มีทา้ที่จะรังเกตอาการทุกอาการในปัจจุบันก็ไม่มีแล้วจะเป็นอะไรเดี๋ยวนี้เลยมันก็สามารถตอบได้เองเลยประจตตัง ไม่มีใครไปรังเกยียจอาการที่มันเป็นอยู่ในความเป็นจริงในทุกขณะปัจจุบันไม่มีใครที่จะไปยึดความว่างในอนาคตที่จะพยายามไปถึงความว่างในอนาคตก็ไม่มีมีแต่ปัจจุบันที่ปล่อยให้อาการมันเกิดขึ้นเองดับเองเกิดเองดับเองตามความเป็นจริงของมันแล้วมันก็เป็นอยู่เฉพาะหน้าอย่างเงี้ยทุกขณะปัจจุบันแต่ทุกคนก็สามารถที่จะรู้ได้โดยตัวเองในปัจจุบันว่ามันเป็นยังไง ถ้ามันมีแต่อาการมีแต่อาการมีแต่อาการมีแต่สังขารสังขารสังขารแล้วไม่มีคนยึดสังขารทั้งหมดอ่ะแล้วจะเป็นยังไงอ่ะก็ <ako> ถ้าได้อย่างนั้นมันก็ไม่ไม่มีอะไรมันก็ไม่ทุกะะข์อ่ะค่ะอ๋อก็แล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นสินะในปัจจุบันเหตุได้จริงในปัจจุบันที่ไม่เป็นอย่างนั้นเราก็พูดเองว่าถ้ามันเป็นอย่างที่ล ต, ตาพูดมันก็ไม่ทุกแล้วสิแล้วทำไมในปัจจุบันนี้จริง ไม่ปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นก็ก็อย่างที่คือกลัวทุกข์กลัวมันจะทุกข์มันก็กลับมาบนอยู่ตรงนี้อือเ <c oughs> จริงๆในปัจจุบันเนี้ยครับตอบตรงนี้สำคัญมานะตรงเนี้ยเราก็พูดเองว่าถ้าเป็นอย่างที่หลวงตาพูดเนี่ยมันจะไม่ทุกข์มันจะไม่ทุกข์กเลยแล้วทำไมแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่เป็นอย่างที่หลวงตาพูด เราก็บอกตอนนี้มันยังไม่เป็นไม่เป็นอย่างที่งตาพูดเพราะอะไรมันยังมีความชอบไม่ชอบอยู่แล้วมันก็มีอาการที่จะผลักใสอืมดีเข้าใจผิดเพราะเราไปคาดหมายผิดว่ามันยังมีชอบไม่ชอบอยู่เลยมันยังมีการผลักใสอยู่เลยดงตาบอกแล้วไงว่า ทุกขณะปัจจุบันตามความเป็นจริงอย่างเดียวชอบก็รู้ปัจจุบันนั้นมีชอบไม่ชอบก็รู้ปัจจุบันนั้นมีไม่ชอ บ, รร บ, ชอบผักใส่ก็รู้ปัจจุบันนั้นมีความผักใสตามความเป็นจริงเลยซื่อๆอย่างตกไปตรงมาตรงไปตรงมาอย่างเดียว ตามความเป็นจริงเลยไม่ใช่เราไปคาดหายว่าถ้าทำได้ต่างแล้วมันจะต้องมันจะต้องไม่เป็นอย่างนี้มันจะต้องไม่เกิดความชอบไม่ชอบเลยมันจะต้องไม่เกิดอะไรเลยไม่มีเรามันเกิดอะไรก็เป็นอย่างนั้นเลยตรไปตรงมาตามความเป็นจริงเลยนี่ลีไเอาไเดี๋ยวลีเอาตัวที่มันเป็นสังเอาตัวที่มันสังขารได้คิดปรุงแต่งได้เป็นตัวเรา ตัวนี้สําคัญมากนะตัวนี้ยที่จะไปเข้าไปเป็นธรรมในปัจจุบันได้ถ้าเรายังเอาตัวที่เป็นสังขารปลุกแต่งได้เป็นตัวเราเนี่ยมันก็จะเอาตัวเรานั่งคิดอยู่นั่นเนี่ยมันก็จะตัวเราพยายามนั่งคิดวิเคราะห์อย่างที่คำพูดติวิงตาเนี่ยลงตาพูดยังไงก็เอาไอ้เอาตัวเราไปนั่งคิดวิเคราะห์หมดเลยมันจะเอาไอ้ตัวที่คิดวิเคราะห์ได้ไปตัวเราแล้วเอาตัวเราไปนั่งคิดวิเคราะห์แต่เรากลับไม่เห็นว่าไอ้ตัวคิดวิเคราะห์เนี่ยในปัจจุบันน่ะ มันเป็นสังขารปรุงแต่งมันไม่ใช่เป็นตัวเรามันเลยตรงกันข้ามกับคําสอนของหลวงตาหลวงตาบอกว่าให้เห็นว่าสังขารทุกขณะปัจจุบัน ม, มันจะสังขารเป็นกุศลอกุศลอะไรก็ตามมันเป็นสังขารไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีเราไม่มีตัวตนเลยธรรมาชาติมันมีแค่สังขารฝ่ายปรุงแต่งกับธรรมาชาติที่มันเป็นใจหรือจิตตั้งเดิมแต่เป็นธรรมชาติที่เป็นมันไม่อาจปรุงแต่งได้ที่ว่าเป็นวิสังขารหรือเป็นอสังขาตธาทัต ธรรมชาติมันมีอยู่แค่สองฝ่ายเนี่ยสองอย่างธรรมชาติฝ่ายหนึ่งคือธรรมชาติที่ปรุงแต่งได้คิดนึกตึกตองปรุงแต่งมีอารมณ์ต่างๆได้มีกายรยาการต่างๆได้กับธรรมชาติอีกอันหนึ่งก็คือธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งอะไรได้เลยมีแต่ความรู้อย่างเดียวความรู้ก็ไม่ใช่ว่าไปไล่ดูไล่รู้อาการรู้อะไรอะ่ะก็รู้ว่าตัวมันเองอ่ะเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้อย่างอื่นล้วนปรุงแต่งทั้งหมด แต่นี้ก็ไปเอาเอาตัวเรากลายไปเป็นตัวปุงแต่งซะแล้ว เ, เพราะตัวเรากลายเป็นตัวปุงแต่งเอาเราก็เลยเป็นตัวสังขารเลยตอนนี้ยสังขารบางทำเลยตอนนี้รู้ไม่ทันไอตัวสังขารหรือขันบางทำอะไรตอนนี้คือทําอะไรก็คือธรรมชาติฝ่ายไม่ปุงแต่งที่มันมีอยู่แล้วเลยเอ้าวเลยหายไปไม่ปรากฏให้เห็นเลยรู้ไม่ทันขันบางทำหรือเรียกว่าสังขารบางทำ อันทุกข์ขณะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังขารยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราสักอย่างมันจะเป็นสังขารยังไงก็ไม่ใช่เราสักอย่างก็เปรียบเหมือนเราเป็นจิตตั้งเดิมเปรตหรือใจตั้งเดิมเปรตที่มันปรุงแต่งไม่ได้มันมีอาการใดใดไม่ได้มันนึากถึงตองอะไรก็ไม่ได้เลยดังนั้นอะไรก็ตามที่มีอาการได้มีความคิดนึกถึงตองปรุงแต่งอะไรได้มันไม่ใช่เราสักอย่างเดียว ไม่ช่ตัวเราสักอย่างเดียวแต่นี่เราเอาตัวเราไปเป็นตัวที่คิดได้นึกได้ติกตองได้วิเคราะห์วิจารวิจัยได้เอาตัวเราไปคนกลัวนั่นกลัวนี่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นสังขารตลอดเลยแต่ลูงตาก็บอกว่าเอาสังขารทั้งหลายไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราปล่อยให้มันเป็นองมันอย่างที่มันเป็นเนี่ยทุกขณะปัจจุบันมันเป็นยังไงเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็ปล่อยมันเป็นไปไม่มีใครไปทําอะไรกับมันเพราะเราเนี่ยไปทําอะไรกับมันไม่ได้ เราเปรียบเหมือนเป็นวิสังขารหรือเป็นอสังขาตธาต้ไปทําอะไรก็เปนไม่ได้วะนู่ย่างกิริยาการใดๆก็อยู่มันเฉยๆอยงเงเนี่ยแต่สังขารก็เห็นขันห้ามมันทํางานมันไปแต่เราก็อยู่เฉยๆกับเราเนี่ยไม่ได้ไปทําอะไรเลยไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยเพราะเราปรุงแต่งไม่ได้เราเป็นเป็นของที่ปรุงแต่งไม่ได้เราเนี่ยเป็นของปรุงแต่งไม่ได้เราเป็นของปรุงแต่งไม่ได้ให้มันรู้อยู่อย่างงี้ไงเราเนี่ยมันเป็นใจที่ปรุงแต่งไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่เป็นอสังขตถาต้ปรุงแต่งไม่ได้ เราไม่ได้หมายถึงว่าตัวเราที่คิดนึกตึกตองปรุงแต่งได้แต่เราเนี่ยเป็นตัวเป็นสิ่งที่คิดนึกตึกตองปรุงแต่งไม่ได้แต่เราเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยคิดนึกตึกตองปรุงแต่งได้ช่วยเหลือตัวเราเองได้วิเคราะห์ได้พยายามได้เอ้ยแล้วมันต้งกันข้ามเราคือธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ได้เราคือธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ได้เราที่คิดตึกตึกตองปรุงแต่งได้ไม่ใช่ตัวเรา เราที่มันคิดนึกตื่นตอมปรุงแต่งได้มีความรู้สึกมีการอย่างเงี้ยเลือกที่รักมักที่ช่างได้เลือดที่รักมักที่ช่างได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราเพราะเราเป็นอาสังคตธทาตทุเป็นวิสังขารปรุงแต่งไม่ได้เป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้เมื่อเราเข้าใจว่าเราคือธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ได้เราไม่ได้หมายถึงว่าเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เราไม่ได้ได้หมายถึงว่าเราคือร่างกายจิตใจที่เป็นสังขารปรุงแต่ง เรล่นี้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้แต่ตัวใจไม่มีตัวเราแต่เรารู้ว่าเราปรุงแต่งไม่ได้เป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ทุกอย่างที่ปรุงแต่งได้คิดนึกตึกตองปรุงแต่งได้ไม่ใช่เราดังนั้นไอ้ตัวเราความรู้สึกว่าตัวเราที่กำลังวิเคราะห์อยู่วิจารวิจัยอยู่เรากำลังชอบนะเรากำลังไม่ชอบทาไงเราถึงจะปล่อยวางได้ทาไงเถึงปล่อยวางไม่ได้เลย ไมาไอตัวเราเราเราที่เราที่มันเป็นสังขารปรุงแต่งผลสังขารแต่มันเป็นสังขารทั้งนั้นเลยเป็นธรรมชาติปรุงแต่งก็ปล่อยวางให้มันปรุงแต่งพยายามที่มันปรุงแต่งที่มันเป็นในปัจจุบันตามความเป็นจริงใจก็เหลือแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความสงบมีแต่ความสงัดเพราะใจมันปรุงแต่งไม่ได้ทำไปบอกว่าเราเนี่ยปรุงแต่งไม่ได้ได้ไม่พยายามไปทําให้เราไม่ปรุงแต่ง แต่แท้จริงมันไม่จะมีเหล่าหรอกตัวเรล่าอะไรไม่มีมีแต่ใจกับจิตที่ปรุงแต่งพูดอย่างนี้ดีกว่ามันจะได้ไม่ไม่มีตัวเราเข้าไปปนมีแต่ใจกับจิตที่มันปรุงแต่งใจปรุงแต่งไม่ได้ถ้าอยากจะเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งก็จะไปไปเอาไอเอาไอตัวปรุงแต่งมาเป็นมาเป็นใจแล้วสิเพราะใจมันปรุงแต่งไม่ได้มันแสดงกายาการใดๆไม่ได้กระเพื่อมไม่ได้ไหวตัวไม่ได้ ใจเนี่ยมันเป็นเหมือนความว่างเหมือนกับธรรมชาติที่เงียบสง บ, ส ง, บสงัดไปทั้งจักรวาลโลกธาตุนั่นแหละนั่นนหะคือใจหรือจิต ด, ดังเดือบแท้หรืออสังคตธาตุหรือวิสังขารอันที่ที่เราพยายามจะเอาตัวเราไปช่วยตัวเราไปคิดไปวิเคราะห์ไวิจัยวิจารณพยายามตึกตองวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์พยายามจะแสกแซงว่าอย่างนี้ชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนี้จะเอาอย่างงี้ไม่เอา ไอ้นี่ที่มันแสดงพฤติกรรมยังกิดได้เนี่ยล้นแต่เป็นสังขารไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรา <S <S <S ปลอาา่ปจจปลอยวางมันสิเหมดอทุกขนาปัจจุบันปล่อยวางมันหมดปล่อยวางไม่ใช่ว่าไปจับระวางจับระวางหรามีแต่สังขารเท่านั้นที่เกิดขึ้นสังขารเท่านั้นที่ดับไปมีแต่สังขารเท่านั้นที่เกิดขึ้นสังขารเท่านั้นที่ดับไปส่วนใจเงียบสงบ สงัดไปทั้งจักรวาลโลกธาตุใจไม่มีตัวใจแต่เป็นมหาสุญญตาเป็นจักรวาลเดิมเป็นความไม่อาจปรุงแต่งใดๆไ ด, ไ ด, ได้มีแต่ความเงียบความสงบความสงัดไปทั้งจักรวาลโลกธาตุอันนั้นแนะที่รู้สึกว่าโลกธาตุเป็นทำไมสงัดอย่างนี้ทั้งโลกธาตุนั่นแหน่คือใจไม่ใช่โลกธาตุ ใจนั่นแหละที่เงียบสงบสงัดทั้งโลกธาตุทั้งจักรวาลโลกธาตุนั่นแหละคือใจใจไม่ได้ว่าหมายถึงไปอยู่ใจว่างๆภายในตัวเราเพราะใจเนี่ย ม, มันไม่มีขอบเขตไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างเลยที่หลวงปูด่ดูลย์ตรัสว่าเป็นมหาสุญจะตาเบื้องว่างไพศาลไม่มีตัวตนไม่มีขอบเขตไม่มีรูปร่างเบื้องว่างไพศาลไปไม่มีขอบเขตเหมือนดังความว่างของจักรวาล ดังนั้นที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันทำให้เงียบสงบสงัดอย่างนี้ที่เรารู้สึกอย่างนั้นได้เนะี่ยที่เรารู้สึกอย่างนั้นได้ก็เพราะอะไรก็รนั้นแหะคือใจ แ, แท้คือใจเราเลยเราเลยรู้สึกถึงความเงียบสงบสงัดนั้นเพราะอะไรมันถึงใจมันเป็นใจถึงใจหรือเป็นใจเป็นใจเมื่อไหรก็เป็นใจที่เงียบสงบสงัดไปทั้งจักรวาลโลกธาตุนั่นแหะคือใจเลยนะคือใจเราเลย เป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลโลกธาตุนั่นแหะคือใจแต่ไอตัวเราที่ปรุงแต่งได้พยายามช่วยตัวเราได้คิดแต่ตัวตองปรุงแต่งค้นหาวิธีสารพัดอันนั้นไม่ใช่ใจอันนั้นเป็นสังขารปรุงแต่งมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรา ถ้าเราเข้าใจอย่างนี floor, ้มันก right? ็ง <stepped> ่ายขึ้นในการปฏิบัติคือก็ปล่อยให้สังขารทั้งหลายเขาเกิดเกิดขึ้นปรุงแต่งไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาก็เกิดขึ้นเองดับเองจะเกิดเองดับเองไม่เกี่ยวกับเราเลยเราเนี่ยเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งไม่อยากปรุงแต่งได้มีแต่ความเงียบความสงบไปตั้งจักรวาลโลกอันาดมันมีอยู่แล้วเนี่ยดูดิเดตอนเนี้ย ถ้าเราเนี่ยหยุดที่จะเล่าล้อนไปตามอาการใดๆเราก็จะสัมผัสได้ถึงใจของเราเองทุกคนเนี่ยเพราะมันเป็นใจอันเดียวกันมันเป็นความว่างอันเดียวกันหลงตาซสัมผัสได้ถึงโลกธาตุมนเงียบสงบนั่นคือใจของทุกคนเพราะอะไรมันเป็นใจเดียวกันเป็นความว่างอันเดียวกันจักรวาลอันเดียวกันทึ้งไม่ไม่มีไม่มีฟิล์มกั้นว่านี่เป็นของพพุทธเจ้าองค์นี้นี่เป็นของเจ้าองค์นั้นนี่เป็นของอรหันต์องค์นั้นนี่เป็นของเรานี่เป็นของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่ท่านกล่าวว่าพุทธะมีอยู่ในพุทธเจ้าพุทธะหรือความว่างเป็นมหาสุญญตาเนี่ยมีอยู่ในพุทธเจ้าในพาาระรหันในในพุทธชนในสัในสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดมีพุทธะหมดใจหรือจิตเดิมแท้มีหมดแล้วเป็นความว่างอันเดียวกันคือความว่างอันเดียวอะไรท่านกล่าวว่าไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีตัวใจเว้วางภาสาร มือนกระดังความว่างจักรวาลดังนั้นที่เรารู้สึกสงบสงัดทั้งจักรวาลนั่นแหละนั่นแหะคือใจดวงเดียวกันมันเลยรู้สึกเหมือนกันว่ามันรู้สึกใจมันเงียบมันสงบมันสงัดนี่มันไม่ใช่ว่าเงียบสงบสงัดในใจมันเหมือนจักรวาลโลกธาตุมันเงียบสงัดไปหมดนั่นคือคือใจอันเดียวกันดวงเดียวกันของทุกคนคือใจเดียวกันไม่ใช่เป็นดวงเป็นอะไรหรอกเป็นใจเดียวกันทั้งหมด แต่ไอตัวที่มีกามรู้สึกว่าเราปรุงแต่งได้เราปรุงแต่งเราเราเร า, เราพยายามเราจังชอบอยู่ก็เราจะมีอาการอยู่เราจะยังไม่สามารถเป็นยังวุ่นได้เรายังไม่สามารถนิ่งๆเฉยๆได้เรายังไม่สามารถสักตวรูได้ล้วนแต่เป็นสังขารทั้งนั้นไม่ใช่ใจสังขารทั้งหลายไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นของไม่เที่ยงปวางไปทั้เราก็สัมผัสได้ เป็นใจเดียวกันเงียบสงบสงัดไปทั้งโลกธาตุเมื่อลงตารู้สึกอย่างนี้ทุกคนก็รู้สึกอย่างนี้ได้เหมือนกันหมดเพราะมันใจเดียวใจเดียวกันโลกธาตุเดียวกันเข<อ>้าใจไม่เข้าใจยังไงเลย ก็อย่างที่หลวงตาบอกว่าถ้าอยู่อย่างนี้ได้โดยที่แค่แค่เห็นอย่างที่มันเป็นได้อยู่อย่างนี้ค่ะก็ก็ไม่มีอะไรมันก็จะไม่ทุกข์ได้อ่ะค่ะอืมเราจะไปเอาอะไรจะไปหาอะไร อมันก็เหมือนแม้จะเข้าใจอย่างนี้แต่ในลึกๆมันก็ยังมรีรู้ว่ามันมีอะไรที่หมายเอาไว้อยู่ว่ามันจะต้องไปถึงนิพพานหรือไปถึงอะไรตรงนั้นนะคะในในลึกๆที่มันที่มันมันยังไม่ยอมไม่ไม่วางตรงนี้ค่ะดวงตาที่เราบอกว่าลึกๆมันไม่ยอมวาง มันปรุงว่าเราเนี่ยยังไปไม่ถึงลึกๆมันจะมีนิพพานที่รอหวังถุกอย่างวะถ้าเราเห็นว่ามันเป็นแต่สังขารทั้งนั้นน่ะอืก็มันเป็นสังขารนั่นไงก็มันจะปรุงก็ช่างมันปรุงอย่างนั้นก็ช่างมันแต่หลีพยายามจะทํามันหายไปไอ้ที่มันปรุงอย่างนั้นน่ะหลีพยายามจะทํามันหายไป ก็ยางงั้นไงถูกต้องแล้วก็เหลือแค่นั้นไะเอาให้คนอื่นอธิบายคือคือผมสำหรับผมเนี่ยคือทำที่หลวงตาบอกว่าทุกอย่างที่มันมันมันมีความหมายอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมันเป็นสังขารคือถ้าเข้าใจตัวเนี้ยก็จะเข้าใจว่าที่มันพูดบ่นอะไรก็คือสังขารก็นั่นคือธรรมชาติของขันห้าที่เขาเป็นอยู่ ไปทำอะไรเขาไม่ได้เขาเป็นก็แค่รู้จริงๆจับตรงนี้ให้มันตัวเดียวมันจบเลยนะแต่เพียงแต่ว่ามันต้องเท่าทันพอรู้ว่าเป็นสังขารปรุงแต่งเข้าใจวเป็นสังคุลแต่งแต่แตเผอิญไอ้ความอยากที่เรามีอยู่นะเต็มเต็มตัวเต็มใจเนี่ยมันไหลเข้าไปจะเอาอีกอยู่ดีนะครับแต่มันหลุดออกจากปัจจุบนันมันหลงมันเป็นหลงไวแล้วไม่เป็นปัจจุบันแล้ว ทันนีพอเรารู้ไม่เท่าทันเราก็กลับมาไม่ทันมันก็หลงโดดไปนานมันก็จะไปปรุงแต่งต่อทีนี้ต้องเข้าใจคือคือถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บวิธีการคืออ่านใจตัวเองให้ขาดนะผมผมผมชอบคำที่หลวงตาพูดคำนี้ครับคือถ้าอ่านใจตัวเองให้ขาดเนี่ยคือทุกคิดทุกอาการทั้งหมดมันก็สังขารทั้งหมดคือจะเชื่อจะไม่เชื่อจะลองเชื่อดูจะไม่เชื่ อ, อ, อ, อทั้งหมดทั้งสิ้นก็ัสังขารทั้งนั้นนะ คือเราแค่รู้เฉยๆรู้ที่ฐานจิตนั่นแหละตรงนั้นถ้าตัวเดียวที่มันจะตัดปัญหาทุกอย่างได้ครับขผมสั้นๆกันเนี่ยครับ